เัว่าจะแนะนากำลังข้ามสุดท้ายสมัยความละเจะแนะนากนไส้เป็นแบบปฏิบัติจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติในการสำนักไม่ได้สำนักอย่างอื่นถัวว่าใื้อป็นเจตกำนงงาที่เรียกว่าเป็นรื่องของทชาสามารถทยาของปฏิสิทาายานั้นก็จะไ้ไปในทัษะสำนักที่ เื่ออกให้กระทันหันหลายนับตั้งไปคนละเป็นตงกันเองแต่ว่าทุหลักเนี่ยมหาปฏิบัติฐานในสูตรนี้สอนแล้วตะวันทิพย์้ดยแม่ต่อไปเขาจะให้รับตังกันตลอดตลอดไปเแค่หลักสูตรนั้นมหาปฏิบัติฐานในสูตรแต่ละข้อแม่แต่นาตาณมบ องสมเด็จกงสมมายสมกติเจ้าก็ส่งสอนอย่างนิพพานหมดเป็นอาณาธรรมอยงเดียวถึงนิพพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดไม่ต้องสี่บาทสี่บาททางกรรมบัตเดียวถึงนิพพานท่านสอนไ้อย่างนั้นจริงๆแค่ไม่มีแบบว่าจะสอนมหาปิประธานแล้วสอนอย่างเต็มแบบเต็มบาทจริงๆ แต่พ้าเรื่งสีก็เล่นบระเด็น่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสีผมสนใจเรื่องเสียงแต่ตอนที่เราจะสนะนํากันเลยเรื่องมหาธิวิทัณฑสุดก็อย่าเพ่งอามหาธิวิทัณฑสุตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวานนี้และแม่พูดถึงอุทิบาี ตอ น, นี้ตระวังระวังให้ดีนะว่าเรื่องบ้านเจนะศีลห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจําได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมดอ่ามีท่านองค์ใดอหนึนะ่งมาอ้างบอกว่าจำไม่ได้และไม่ได้สั่งที่ไม่ไม่มีการต้องการจะได้ยินเรื่องเท่าคำปฏิบัติ น, นี้ ยิไเลอยากจะได้ยินไม่ก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบที่นี้เขามาอยู่ในสำนักนี้แล้วต้องทราบแล้วปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านคนใดเรียนไนยนม่สามารถจะรีบย้ายไปเช่อก่นข้อภาษ า, า, านิ้ฉนัน้นเวลาเข้าไสารแล้วจะลบาก คำได้ไม่ร er like, like, ่ำย่อไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาไม่ได้นั่งหลอกลั่งหลงชาวบ้านชาราบินชัดเป็นเมรุตุเดียอะไรที่ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนเชื่อเข้าไว้ในสำนักความจริงเขาอยู่ในสภาเวลาไม้จะใท้แค่ซื้อคน้ไว้ตลอดผมจะต้องรองคนทุกอย่าง เดิมมึงค่าใช้จ่ายประจำอยู่ในเกณฑหนึ่งหมื่นบาทเศษ็นี่มันใช้จ่ายกันเป็นไผ่ในม่ที่เราไม่เป็นและป่ะกอสร้างขึ้นมากา่เงินจำนวนนี้ถ้าผมว่าซื้อเอาเรื่องเอาคนชั่วเข้าไว้นี่ผมก็ซื้อได้สักตังค์ของมเออจะตังคก็ไม่ใช่กรถตังค์ของผม้าตังค์ขอชาวบ้านเขาเขาจะได้ก็ให้มาได้บูชาได้ให้ปา แต่ได้หว่าโดเอาคนเพื่อมาเลี้ยงทาไว้ยนี้มันก็เสียข่าวเสียขอเสียสัทาโดสาธารของชาวบ้านเหมืนอนตัดออกไปใส่เพื่อนขีกาอนี้มันจะมีประโยชน์อะไรแขวงขว้าท่านหลายยังมีความเข้าใจเสมอที่นม่ไม่ต้องการปริมาณของคนแล่ต้องกาคนเพื่อนันดีหรือฉ ต, ต้องการมาเลี้ยงเขาคนมาก ที่ไม่ได้ต้องการคนมากต้องการแด่คนดีถ้าคนดีมากพอใจถ้ามากไรขั้วไม่พอใจก็มาต้องการเดี๋ยวก็จะหาว่าสลับตำแหน่งให้ขั้วเพราะทุกท่านรู้ตัวเลยด้วยในตอนที่เราจะพูดกันที่อัศวะห้าสิบวันสุด เมื่อวานไม่พูดถึงอิธิบาตสีต้องจําให้ได้แล้วก็ทําให้ได้นะอย่าม า, าจำไม่ได้ทําไม่ได้จะนี้นไม่ไ ด, ออได้ถ้าจําไม่ได้ทำไม่ได้ควรออกไปได้ทันทีที่ไม่มีการใดมีสมรคนที่ไม่มีสมรตะคับและต้องอยากจะออกไปให้เรที่สุดที่จะเลยได้ ในก่อเราพูดเรื่องมปฏิบัติานวันนี้ก็พูเริ่บารมีต่อในอีกี่บาทสี่เราต้องครบควแม่จ้งนั้นก่อนที่จะเจริญก็ปฏิบัติเวทการนี้ก็มาถึงข้าตุลเลงก็ดีจะเจริญและไม่เจริญก็ตามเะต้องปรับัติบารมีสิทธอครบค เพื่อถือเป็นกฎตายตัวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเฉยๆนะเรื่องที่พูดให้ฟังนี้ถือว่าต้องนำไปปฏิบัติได้ครบเพืนแต่ท่านเองโดไม่สามารถจะปฏิบัติครบเพืนได้ก็จะทราบว่าท่านองค์นั้นเป็นบุคคลที่สํานักนี้ไม่จริงแปลธนาเอาไว้ ถ้าหาคนปฏิบัติไมได้เลยทั้งหมดต้ออยู่ขององเดียวสบายย่คนเดียวมีความสุขถ้าคนดีอยู่มากคนใกล้ใจผก็มีความสุขถ้าคนลวยอยู่แม้แต่คนเดียวก็มีความทุขผมไม่ตงกันเป็นอันยอดบารมีสิบราการนี้ต้องทำให้ครบเพื่อนทุกอย่างยาเท้าตัาวบทไหนนะ ยังไม่รู้ยังไม่ศึกษาม่แม้แต่คนที่ยังไม่มาคนที่มาทีหลังยังไม่มาก็ต้องถือรู้ด้วยต้องถาอปฏิบัติครบด้วยถ้าเขาทาไม่ได้เขาจะถึงเขากรับไปมีศาสตร์ต้องเลี้ยงระเบียบภายในของเราไว้มีคำว่าบารมีมีพระวจนะ เมื่อทานกำลังใจให้เต็มจาให้ดีนะมีสย่งที่เมองไทยกันให้เราเรามีส เ, เสมอว่าเราจะต้เคาะคนสัตว์อื่นให้มีความสุขทางกาลังที่เราจะเพงให้ได้ถ้าเราสา ม, มารถจะเคาะไม่ได้ก็ถุแล้วก็ให้ได้ว็ถุ ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็ยังสงเครื่อ ง, อ ง, งได้กาลังทางกายเท่านั้นหรือถ้าไม่สามารถจะส่งเครื่องไม่กาลังทายกายได้เราก็จะสงเครา่อ ง, อ ง, งด้วยปัญญากรณีสลับการให้เราเต็มใจอยู่เสมอเพื่อการให้เมื่อมันตัดการสะสม ก็คนผู้ต้องการให้เลยไม่ใช่เขามันเป็นการตัด ก, การสะสมตัด ก, การลโในการตัด ก, การลโดยการให้โอสมเด็จพะสัามาสมัมพุทเจ้าที่ยอดดี็นจิตคตรสุขสุนรรณเลนทั้งหมดโยชนโยคาวาจันทลนหลายเจ้ต้องทำแต่การให้นี่ก็ต้องดูคน ไม่ใช่สักตว่าคนเราก็ให้ถ้าให้แล้จะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็ต้องระงบการให้เสียให้แล้วจะเดืดร้อนให้แล้วจมีภัยอันตรายรับไม่ให้ไม่ใช่ว่จะให้ได้ก็ต้องดูการควรให้ไม่คนให้ทั้งนี้ก็ต้องดูัวอย่างองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่พระพุทธเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนาต่อไทยองค์สมเด็จพระเจ้าไต้ต้องพิจารณาก่อนว่าการเทศน์นี้จะมีผลไหมแต่ว่าเทศน์ไปไม่มีผลองค์สมเด็จพระพุทธสุภัณฑ์ก็ไม่เทศน์ในการให้ทานของเราเหมือนกันจิตเราพร้อมเพื่อการให้เนการตัดโลภความโลก ไม่เพีพร้อมเพื่อสะสมแต่ทรัพย์ถึงนทั้สอที่เราให้มาชาวบ้านถวายมาต้องรักษาสัารไว้ยไม่ใช่ไปเที่ยงไปสร้างไปทำลายทางกําลังใจของชาวบ้านใหเสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามเพ่ะมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เ่านี้จิตมันก็ไม่จิดในรักาแล้วนี่ต้องทำอะไรไม่เป็นขอศีลมาบารมีสมัยตามมามีกาลังใจรักษาศีลให้ครบเปบริบูรณ์อินในเกียรตาบดเขาอ่านให้ปังกันเขาพูดเลยปังกันทุกเย็นธรรมดาราม่ ถ้ามันนั่งแกล้งตัวว่าไม่รู้เนี่มันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้กันหลีกออกไปที่จากที่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คําว่าไม่รู้ว่าสินมีทีสิแคาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เป็นพระเดชสินที่เรียกว่าสีลานุสติกัมมทาน ขณะทานก็ระเบิดจทานในสติสมฐานนึกถึงการให้ทางการสงเคราะห์ อ, อยู่เส ม, มอใคอยัวเในสินและอนามัดระวังสินไว้สดให้ใจกาลังใจจนอยู่เส ม, มอไม่พอถอยข้อต่อไปเรื่องแม่ขมมะบารมีแม่ขมมะแปลว่าการถือบวดคำว่าบวดในที่นี้ก็้หมายเพื่อ บ, บวดใจ เมื่อายภายในนอกเหนือเพีงแค่คนหัวหองคนเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวชดีไม่ดีก็ลองมีสภาพเลยกว่าสมัยเข า, าก็มีนักบวชสักตว์เวบียเข้ามาเท่านั้นไม่รู้ตะทรรมในทม่ธรรมะแบบมีตัวมีก็ได้แต่การัะจิตให้ชนะมีวนห้าอยู่เสมอ เพื mater, ่อหนึ่งเราจะไม่เมาเมาในทามในธัตคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงพระในกลิ่นหอมในรสอะไรในการสัมผัสไรหว่างเพียรจนไม่มีข <It. S 1> ้อน ah ี้เราจะต้องใช้กายกับใจสติตัสุพัฒนฐาเข้าประหาริหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระบึกความเกลืความเสบาย ค, ความเิดความลำบากดูจะต้องไม่มีในจิตของเราไม่อเอ่ยมันจะมีะก็งัด็ะเลยย่ามันไหลมาทางวาจาแล้ววันไหลมาทางกายมีทีนะงับกิเลสตัวนี้ก็ได้แต่จันจเรนตมมิหันสีหรือว่าวันนั้นจะสิ้นสีไม่จะจะสิ้นแดงสิเขียวสินเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่าน ห, หลายต้องมีกำลังใจเึื่อคนให้เต็มที่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในขาดตัวนี้ในขาดกรณีก็ไม่ควรจะมีกาสารพัพอยู่ไม่ควร จ, จะาา อ, ย อ, อยู่ในเรื่องเงาของการสารพัพ แม่เียงและมัวก็มาไร้สาทตร์ในบทพุทที่เรารัมีศิ่งบยิสุทธิ์มีกัญชินใจที่สิ่งมีอิทธิบาทตีมีบารมีครับอยู่กันยนังไงก็อยู่ได้ไอ้ที่บอกว่าวมกับใครไม่ได้ก็แสดงว่าความเลวมันมากไม่มีกันพาวะที่อารมณ์เป็นพระอยู่เลย มิแม่ธรรมบารมีต่อไปก็ตัดอารมณ์พุทสันตัดความสงสัยด้วยกําลังของปัญญาต้องเอายังนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไม่ธิบาทสิก็บารมีสิต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมันนั่งหลับหูหลับตาประมานั้น ว่าอย่างนั้นอย่านี้แต่คุณธรรที่ดีๆๆจริงๆต้องต้นไม่ทาไม่มีครณธรรมไปดิ้กดึงมันก็นไม่ได้อะไรมีแต่ความเลวนี่มามาปัญญาบารมีต้ อ, องมีปัญญ า, า, าที่กําลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานีร่รู้อะไรมันดีรี้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา พวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่หนึ่งปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพ ป, รปาปัสสเราไม่ทําความชั่วทั้งหมดใช้ปัญญาควงคว้ามาทำคําสั่งสอนองค ส, สมเด็จเป็สัมมาสังฆาทาส่วนใดชั่วท่าส่วนใดดีทำส่วนใดชั่วทํานลายล้างให้หมดแยกส่วนทิ้ง ก, กับจิตใช้ปัญญาคามนมั้นระวังไว้ กุศลศยสมถะทำเตความดีทุกอย่างแค่จิตตาปริโยตปันนงังทำใจวงใจด้นะื่อนการเจริญสมถะภาวนาแล ะ, ะวิปัสสนาภาวนามีปัญญานี้ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกพร่องอย่ามั น, นั่งใช้คําว่าไม่รู้กันที่นี่ไม่มีคําว่าไม่รู้ จำไม่ได้เพราะว่าทธรรมยาธรรมรามีเสียงก็มีจะฟังกทำอะไรก็ได้ฟังกันเองเลยไม่ต้องเสียเสียงฟันุษย์เวลาธรรมยาธรรมยาก็มีดูยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ทันทีมาวิริยะบรมีความเพียรการต่อสู้กับวิสักที่เกิดอารมณ์ใจ เราจะทำดีแต่อารมณ์ใจมันชั่วดีตรงไหนชั่วตรงไหนอารมณ์แก่เขามีแล้วในพระกรรมฐานใช้ความพยายามค้นคว้าอารมณ์พระกรรมฐานก็มีทั้งขัดเศษมีทั้งเทิดรักตังมีทั้งเทิดสำหรับไปตังเองมีทั้งอาศัยมีแล้ว ถ้าอารมณ์เพื่ออย่างไดหนึ่งไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปกันดูเพือย่างในใจทกถ้าอารมณ์ความเพื่วเกิดกับราคะใจริตักเสรักงามก็ใช้กายกัจานุสติหนึ่งอาสุภตมฐานสิบเข้าประหัตประหารทันทีถ้ามีอารมณ์นักพนโทสัเจริญก็ใช้สมาวิหารสี ใครก็ไม่ห่าสิกับก็สินสิถ้ามีตัวจริตรีมกวาจริตก็านาพานุสติถ้ามีตัฐาจริตตัวนำดีตัวนี้เราก็ใช้ ถ้าลสติหกคือพุทานุสติธมานุสติสังขานุสติศีลานุสติกาานุสติเทวานุสติถ้ามีอารมณ์ใสฉลาดเราก็ใช้บริานุสติกรามฐานนะฮะเราด้ควรจะทอางสี่อุปสมณุสติสมฐานมีอารมณ์ืี่เราจะรู้ตัวจะป็นแก่และ่ยเามีอยู่แล้วไม่จาเป็น อย่ามันบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กําลังใจเข้าต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบมั ไ, ไว้ที่มาได้ขันติบารมีความอดทนความอดกั้นไม่กันนะ้นอะที่มีต้องต่อสู้กับลมชั่วยต่ลมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมาลมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้ขันติความอดทนไม่แท้แท้ ไม่พ่อแต่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังของกาลังใจมาสจจะแรมีรฤทธิ์ความจริงใจไว้เสมอว่านิพานสสะสติกิริยายะเอตังกาลสาวางังไงตัว่าเรารับผากาลสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งเสื่งมผลิพันตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจรงกํามันอยู่เสมอเราจะไม่ทอถ อ, อยตัวบระสักใดใดทั้งหมด นี่ต่อไปในขั้นอดิธานะมันมีคู่ความตั้งใจมันม่นการส่งกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังช น, นะอะไรกันแน่เราเดิกเข้ามาปฏิบัติแบบประเภทที่แบบ ล, ลอยแพ อ, อะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกนันดักเต็นจากอารมณ์อนันหนึ่งที่เราพอที่จะชนะได้นั่นก็ได้ไดแก่ อารมณ์ของพระโสดาบันจึงสาธอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ว่าหนึ่งพระโสดาบันสกายทิฏฐิละน่าจึงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ว่าไม่รู้เวลาตายพร้ออยู่เสมอว่าจะตายแต่ก่อนจะตายเราจะส่งความดีโดยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานเป็นประจํำใจ เพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหน้าและเราต้องการปันกิพอบายภูมิสิรงตารคืรอมนรกเพศอสุรกายสิ่งที่ปฏิจานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นใยการรักษาสิงหริสุทธ์ตั้งใจดิสายนเข้าไว้ให้อัตตระมนี้มัส่รงตัวถ้าระมนี้ได้แล้วก็เ้าไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสกิทาคามีไม่ต้องพูดกัน อา น, นาคามีการรวบรงกําลังใจในการยุตตานุมรติและสุปกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัตประหารการมาชันท่าให้พินาศไปจากจิตไม่ใช่ระงับนี่คัมะีรบารมีนี่ระงับนี่ทําลายให้พินาศไปแล้วทําลายกําลังใจที่มีปริฆาตที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอํานาจของ มารีหางสี่หรือก็สินสี่คู่กับปัญญานี่อดิษขัน ธ, ธาบารมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นเบรโซนนามันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะสี่ขาธคามมีก็มีกำลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงเขากันนิดหน่อยหรือไม่เ น, นั้นก็ตั้งใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอรหตัตผลอันนี้ไม่ยาก เพราะว่าการพิจนานณาคือทำลายกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบประการเราตำละข้อเดียวคือข้อสกายาทิฏฐิในการพิจารณาวรรภเตทญน า, า, นาสัญญาสังขาร น, นิญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เร า, เ, ราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเจนถ้าอารมณ์จิตเราไม่เกาะอยู่ในขันห้าเราก็เป็นพระอรหันต์ อันนี้ฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุณบารมีว่าเราจะต้องส่งความเป็นประสดาบันให้ได้ถา้าบางเอ็นมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติประ ส, สดาบนัน <c oughs> ก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเพีรที่ยานเพราะขอบเขตของพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นมีเมตตาบารมีอารมณ์ความรักอัวนี้มีความสําคัญมาก ความรักนีกจะหมายวาความว่าเราจะรักคนคนดีเราจะรักสัตวคนดีคนเองก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักสม่ําเสมอกันถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความประหนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน เขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูเั่นใดคนอื่นและสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูฉชนนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลอื่นเราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบรรดาลให้กับเราเราก็ไม่บันดาความทุกข์ให้ yeah. right. mm. แก่บุคคลอื่นเราต้องการความสุขในการเกื้อกูลจากคนอื่น เพืเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเพื่อคนนะครูก็เองมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการพ้าเราเมตตามันก็จะสมบูรณ์จะเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี่ต้องจําไหมแล้วก็เล็วไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอเสมๆนี่ประทําด้วยมาบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอเมคาบารมีวางเฉยเฉยตัวนี้ ไม่ใช่เฉยแบบแบบไหนอุเบกขาต้นก็มีหันสี ی ی ک ن ک ن ک ن ن ่เฉยตัวนี้ได้แก่สังขารอุเบกขายานเพื่อเฉยในขันห้าเื่อเฉยในกฎของกันต่างเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดในรัลา็ส่วนส่นสุข ไม่เรา่าร้อนมันหลับเสื่อยไปย็ดชนไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใดกฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลของความสุขหรือความทุกข์ก็ถือว่ามีมันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้ แล้วต่อมาได้กันห้าคนเหล่านี้มันถึ่งนี้ต้องแตกสลายไปแล้วก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่เลวก็เฉียนแก่ป่วยเลยก็เชียนป่วยจะตายก็เชิยตายฉันเรื่องแล้ววันไหนจะเป็นอย่างนั้นถ้านบรรดาท่านเบญโยคาวาจอนทุกท่านเมื่อเรามีสิ่งการก็ดีแล้วก็อิติบาทสีก็ดี เป็นสภาวะที่มีความจำเป็นที่พวกท่านหลายจะต้องสรงไว้ในกำลังใจเสมอแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะช่วยมันดาพวกท่านหลายพอจะเป็น้ะขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่ถึงพรคโสดาบันเราสมัครคุนนี้การแนะนำกันก็ข อ, อยุติว่าเพียงตรงนี้คอยท่านหลายไเป็นนั่งทบทวนในกำลังใจ ไว้ทิมบาตรสี่อะไรบรารมีสิทธิ์มอะไรอันนี้ต้องครบทูนทุกวันตื่นขึ้นม า, ชาเช้าเียงตามใ ห, ใหม่พบตัวนั บ, นบรารมีสิบประการอธิบาตรสี่ว่าระบบต้องอะไรบ้างวันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอธิบาตรสี่แล้วก็บรารมีสิทเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็ไปเจรนามใหม่ว่ไอ้อธิบาตรสีบรารมีสิทธ์นี้ระบบต้องขอไหนบ้าง ถ้าบอกพร่องก็รีกแก่เสียเราส้องแบบวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจานี้ไปพระเร็ดาสาวาคุโองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการคลาคนในบทประทัมคําสั่งสารวุโองค์สมเด็จพระจินวรรณบรมศาสตรสันดาสมาสมเด็จเจ้าพอทัควรในเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี